พุทธวัจน์สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสนทนาใน แบบหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือน้อยลงไปเรื่อยๆหรืออีกอย่างนึงก็ตัวมองบุคคลรอบๆตัวอย่างเข้าใจกันมาก ไม่ได้ทํารายการก็เพราะว่าไปติดอยู่ที่เยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการคน 600 คนนะ แล้วก็ได้เชิญให้รุ่น ม.4 ม.5 ประมาณเนี้ยค่ะทั้งคะวัยรุ่นนี่เนาะซึ่งๆมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสถานๆได้เข้าปฏิบัติธรรมอ่าท่านใช้เวลาแต่ตอนกลับเนี่ยดิฉันไม่ๆซึ่งตอนแรกอ่าจะได้ผลอย่างไรปรากฏว่า นะคะเทพังทีสิ่งที่ดิฉันอยากจะมากราบเรียน เดวานก็พูดถึงความมุ่งมั่นว่าอย่างถ้าเรายิงอยู่ในช่วงวัยต้นเค้าเรียก 30 เนี่ยเอ่อชีวิตเรายังไปหรือที่ฐานการที่เราจะ อธิษฐานให้มันถูกต้องเนี่ยทํายังไงนะก็คือว่าถ้าเราหวังแต่ผลนะหวังแต่ผลนะโดยประารถนาว่าเออขอให้ผลนี้เกิดขอให้ฉันรวยขอให้ฉันสวยให้เรียนจบขอให้ฉันเรียนเก่งขอให้ได้งานทํานะอันนี้ ขอให้ผลมันเกิดนะแต่ตัวเอ่อตัวของพระพุทธเจ้าของเราได้ขอว่าเออขอให้ นะอาการที่เราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการอะไรล่ะต้องการเรียนเก่งอยาก <St> น่ะก็พูดถึงการที่ใส่ความเพียรเข้าไปกันทั้งเจรีย์เรียนสุจิปุริอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าเหตุของการเอ่อที่หลังนะ ก็แต่ดิฉันเนี่ยไม่ทราบจําสับสนหรืออย่างไรเอาไปบวก 4 อันนี้ 4 ก็เป็นหมวดธรรมะหนึ่งที่เรา 4 อันก็ได้นะคืออันแรกก็ น่ะไม่ใช่อย่างนั้นความพอใจในที่นี่หมายถึงความสันโดษสันโดษในสิ่งที่เรา <maybe not S 1> นะให้เราพอใจในการที่เป็นคนมีศีลพอใจในการที่เราจะตื่นก่อนนอนทีหลังพอใจในการที่ค่ะคุณคุณเยมเสียวนิดหน่อยนะสมมุติว่า โดยที่มาโอ้คิดเกียรติสามไม่มีไม่เป็นเพราะเขาชอบเขาพอใจตรงนี้นั่นนั่นคือการๆกังๆเรา นะการที่ใส่ความเพียรเข้า 3 ก็คือๆๆคือคิดๆนะๆเอาเรื่อง แล้วเราก็จะใส่จิตตะไว้ในการเรียนภาษาบาลีของเรานะเรา อย่างคนนั่งสมาธิเนี่ยเอ่อถ้าเรามีวิมังสาเนี่ยมันจะไปไม่ได้คุณโยมเดียวอย่างสมมุติเรานั่งสมาธิ 15 นาทีเป็นต้นนะนั่ง 2 นาทีอีก 13 นาทีทําจิตไม่ 13 นาที 13 นาทีนั้น 15 นาทีไอ้ที่ไม่ 2 นาที แล้วเราจะทํายังไงให้ไอ้เจ้าค่ะขอบันทึกโทษนะคะที่ดิฉันอยากถ้าเป็น นะคือไอ้ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เรายังทําไม่ได้อ้าวเราแก้ไขซะนะตรงนี้ก็เป็นลักษณะของวิมังสาเป็นคนที่คอยรับฟังคําตักใช่ ถูกมั้ยคะแต่อธิษฐานที่ถูกต้องไม่ใช่อธิษฐานแบบภาษาไทยอ่าไม่ใช่ขอผลไม่ใช่นี่ไงอิทธิบาท 4 คือเหมือนกับเป็นเก้าอี้ 4 ขาแต่ละขาเนี่ย 3 ขาเล็กของเขานะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตรงนี้มันถึงจะตั้ง น่ะไล่ลงมาการบรรลุเป็นพระประเจกผู้เจ้าการบรรลุเป็นพระอรหันต์ในการที่ 4 ทั้งสิ้นเลยน่ะยังใช้ได้ 4 เนี่ยอยู่ แก้แก้ปัญหาอย่างปัญหาระดับสัมมาสัมปฤชาญในอิทธิบาท 4 ก็แก้ได้ปัญหาระดับ วิธีที่จะทําให้เราบรรลุผลแห่งความปรารถนานั้นได้มากที่สุดเท่าๆเพราะ เพราะว่าไม่เข้าใจใช่ใช่ค่ะท่านอาจารย์คะสําหรับรายการแล้วให้สอดคล้องกับความต้องการของชีวิตประจําวันของท่านทั้งหลายเพื่อได้นําไป ค่ะเราได้รู้ว่าท่านสอนอะไรแล้วนําออกไปใช้แล้วก็จะได้ทําให้ ตัวฟันตี้โปรคัลลนี่ก็เป็นซึ่งได้กลับมาสนทนาร่วม 8 เดือนนะคะดิฉัน ต่อไปก็ขอให้ท่านได้